การที่เราอยู่ดีมีสุขมีข้าวกินมีบ้านอยู่ได้ที่นั่งดีได้เห็นสิ่งสบายตาแม้แต่เล่นเกมชนะล้วนเป็นการใช้บุญให้หมดไปวันวันเปิดทางให้กรรมชั่วที่เคยทำส่งผลเร็วขึ้นเชื่อไหมครับว่าคนทั่วโลกจำนวนมากต้องเจอหายนะทุกสาหัสหลังถูกรางวัลที่หนึ่งดารานักร้องจำนวนไม่น้อยที่ดังเร็วแต่ไม่นานก็ร่วงลงเหว ตกต่ำจนต้องขายตัวติดยาฆ่าตัวตายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแถมมักหลงโลกกิเลสพอกหนาขึ้นด้วยการได้ดีมีสุขชนะอะไรก็ตามคือการใช้บุญเก่าให้หมดไปยิ่งได้อะไรมากเท่าไหร่หมายถึงบุญของเราก็หมดไปมากเท่านั้นเปรียบเหมือนชีวิตคือการขับรถไปเรื่อยๆบุญก็เหมือนรถขนรางวัลขับตามจะให้เรา บาปเหมือนรถคนโกรธจัดขับตามล้างแค้นที่เราเคยทำร้ายเขาไว้แต่ตามไม่ทันเพราะเรายังเร่งเครื่องหรือทำความดีไปเรื่อยแต่มีรถรางวันมาขวางไว้ให้อีกชั้นการทำความดีเหมือนเร่งเครื่องหนีห่างไกลขึ้นหากไม่สร้างความดีเพิ่มก็เหมือนหยุดเหยียบคันเร่งในที่สุดเขาจะตามทันรถรางวันอาจมาถึงก่อนมอบของเสร็จก็จากไป ทิ้งให้หยุดเพลินชื่นชมกับสมบัติที่ได้บางคนมีรถรางวัลหลายคันทยอยมอบทีละน้อยแต่บางคนเหมาทั้งหมดทุกคันมาพร้อมกันกลายเป็นรางวัลก้อนใหญ่ให้ตูมเดียวแล้วขับจากไปจึงไม่มีอะไรขวางไว้เหมือนก่อนเปิดทางให้รถคู่อาฆาตที่รอคิวเข้ามาล้างแค้นได้เต็มที่ซึ่งจากสถิตินะครับคนที่ถูกหวยหรือโชคดีอะไรแล้วอีกวันตายก็เยอะมาก หลายคนที่ไหว้ขอเทวดาให้ช่วยแต่กลับไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ส่วนใหญ่มาจากบุญเก่าของเราทั้งนั้นท่านอาจช่วยเหมารวมเป็นกองเดียวกันให้หรือจากแรงปัทนาทางจิตของเราเองนั่นแหละเป็นตัวรวบรวมบุญมาให้หรือเป็นการเบิกบุญล่วงหน้าที่สุดท้ายต้องใช้คืนอยู่ดีบางคนก็เหมือนเบิกเงินหรือเบิกบุญใช้ทีเดียวหมดบัญชีจึงไม่เหลือเงินเติมน้ามัน เพื่อขับหนีคนที่ตามล่าอยู่อย่างเครียดแค้นจึงไม่แปลกที่คนโชคดีหลายคนจะเจอหายนะตามมาติดๆยิ่งโชคดีเท่าไรสิ่งขวางกั้นโชคร้ายหรือกรรมเก่าก็หมดไปเร็วขึ้นเท่านั้นสำหรับคนที่กำลังเจอมรสุมร้ายแรงควรดีใจเถอนะครับว่ากำลังชดใช้หนี้บาปให้หมดเร็วๆ เ, เจ็บแค่ไหนให้รู้ว่าครั้งหนึ่ง เราก็คงเคยทำคนอื่นให้รู้สึกแบบนี้เหมือนกันอดทนให้ผ่านไปด้วยจิตสำนึกบาปไม่นานจะได้รับผลจากกรรมดีที่เคยทำไว้อย่างเต็มที่โดยไม่มีหนี้เก่ามากวนใจให้ทุกสาหัสอีกสิ่งสำคัญต้องเร่งทำบุญให้มากเป็นทุนป้องกันตัวเองไว้ก่อนไม่ว่ากําลังโชคดีหรือโชคร้ายก็ตามนะครับพูดถึงบุญคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงแค่การบริจาคเงิน จึงทุ่มทุนซื้อบุญกันอย่างหน้ามืดซึ่งแค่การวางจิตหรือเจตนาต่างกันแม้บริจาคเท่ากันก็ได้ผลต่างกันมหาศาลการให้ทานเป็นบุญระดับต้นเท่านั้นทำบุญแต่ละด้านมีผลต่างกันถ้าเน้นทำบุญแก้กรรมต้องเข้าใจและทำให้ตรงด้านด้วยเหมือนต้องรู้ว่าสารแต่ละอย่างมีอะไรเป็นตัวเสริมหรือต้านฤทธิ์ของมัน สาะพัดวิธีงมงายนะครับทั้งในหนังสือทีวีและแม่แต่ในวัดที่หลอกให้คนเสียเงินแก้กรรมแก้ปีชงศา ส, สนาพุทธแท้ๆเนี่ยปฏิเสธเรื่องปีชงเรื่องดวงดาวนะครับถึงขั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้เลยว่าคนเขามักคำนวณดวงดาวอยู่และปีอะไรก็ไม่มีผลกับเรามีแต่ปีไหนกรรมชั่วมันมากกว่ากรรมดีแล้วถึงเวลาให้ผลเท่านั้นเองสาหรับบางคนอาจไม่หลอก แต่เพราะเชื่อแบบนั้นจริงๆคนทำสมาธิถึงจุดแล้วเห็นผีเห็นกรรมได้จริงแต่ที่เห็นอาจไม่ใช่ของจริงทั้งหมดตราบใดไม่เจริญสติถูกทางจิตไม่สะอาดจริงยังเห็นจิตเป็นเรายังแยกจิตผู้รู้ออกมาไม่ได้พลังสมาธิบวกจิตที่ยังมีกิเลสคือโมหะจะสร้างภาพหลอกแนบเนียนจนเชื่อสนิทเคยมีข้อมูลเดิมฝังใจแต่เด็กอรุชาติก่อนอย่างไร จะปรุงแต่งภาพอีกมิติให้ต่างกันไปหรือให้หลงเชื่อว่าตนเองเป็นร่างทรงนั้นร่างทรงนี้ทั้งที่ปกติละสีลห้าอย่างมีไม่ครบเลยและคิดเออครับว่าเทพเจ้าชั้นสูงท่านจะมาประทับทรงกับร่างทรงประเภทนี้หลายคนก็เป็นโรคทางจิตนะครับเป็นโรคไบโพล่าที่ทําให้หลงคิดไปว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษคนจําพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคนบ้าประเภทหนึ่งที่ต้องรักษาแต่กลับปรากฏว่า มีคนดีๆไปกราบไหว้คนบ้าพวกนี้จํานวนมากมากจนไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวครับตัวอย่างคนไทยตายแล้วฟื้นมักเห็นโยมมทูตนุ่งผ้าแดงแต่ฝรั่งเห็นโยมมทูตรูปร่างต่างไปซึ่งอาจเห็นจริงหรือแค่มโนภาพก็ได้ครูบาอาจารย์บอกว่าคนไทยตกนรกเจอต้นงิ้วแต่ฝรั่งตกนรกไม่เห็นต้นงิ้ว แต่ก็ทรมานเหมือนกันแม้อยู่ในสถานที่จริงแต่ภาพที่เห็นอาจเป็นคนละเรื่องเกิดจากจิตปรุงแต่งหรือจิตละเอียดต่างกันเทวดาชั้นต่ำไม่สามารถมองเห็นเทวดาชั้นสูงกว่ายกเว้นท่านจะเปิดให้เห็นได้อันนี้แนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่คิดว่าทำบุญไว้ดีแล้วถ้าไปไหนแล้วกลัวผีให้อธิษฐานในใจนะครับว่าด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทาแล้ว ขอให้ต่างคนต่างไม่เห็นซึ่งกันและกันสิ่งนี้ก็จะทำให้เราทั้งคู่ไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้นะครับเขาจะได้ไม่มารบกวนเรามนุษย์ที่ฝึกสมาธิได้ขั้นสูงแต่ไม่ได้บรรลุอริยตายไปเกิดเป็นพรหมยังเกิดมิจฉาทิฏฐิเข้าใจเรื่องโลกที่ผิดจากความจริงทั้งที่เป็นเทพเจ้าชั้นสูงสุดมีกล่าวในพระตายปิดกเป็นตัวอย่างดังนั้น จะหวังอะไรกับนักบวชหรือคนธรรมดาที่ศีลไม่ครบพระไตรปิฎกไม่เคยอ่านความรู้ธรรมะที่ถูกต้องแทบไม่มีเมื่อเห็นไม่ชัดและรู้ไม่จริงจะอธิบายเหตุผลบอกทางแก้ที่ถูกต้องได้อย่างไรหลายคนอาจเห็นผีเห็นกรรมจริงก็คล้ายชาวนาไปยืนดูหมอผ่าตัดคนไข้แม้ได้เห็นของจริงต่อหน้าแต่ใช่ว่าจะเข้าใจหรือจดจาไปผ่ารักษาคนอื่นได้ การเห็นโลกวิญญาณของบางคนอาจเป็นแค่บางส่วนจาก31พบภูมิเท่านั้นพอนำมาเล่าโดยขาดการศึกษาให้แตกชานก็ไม่ต่างกับคนไปเที่ยวป่าแอฟริกาแค่ที่เดียวแต่กลับมายืนยันเสียงแข็งว่าคนต่างชาติทุกคนล้วนตัวดำน่ากลัวป่าเถื่อนคนเห็นกรรมคนอื่นได้ชัดจริงและบอกทางแก้ได้ถูกต้องควรเป็นพระอริยะเท่านั้น ซึ่งท่านคงไม่เอามาหากินหรือโปรโมทกันจนเวอร์คงไม่มาตั้งพิธีตัดกรรมให้แก้กรรมด้วยการเสียเงินให้ท่านส่วนมากท่านจะเน้นสอนปฏิบัติเพื่อรู้เห็นกรรมด้วยตนเองนะครับเน้นสร้างกุศลเพื่อพัฒนาตนเป็นหลักถ้าจะพูดเรื่องกรรมและวิธีแก้ของใครต้องจําเป็นจริงๆเท่านั้นและโดยมากก็จะพูดกับเฉพาะสิทธิ์ที่ใกล้ชิดเท่านั้นและวิธีแก้จะมีอย่างเดียวคือ การปฏิบัติธรรมทำความดีไม่มีพิธีรีตองไม่มีเริกไม่ต้องตั้งเครื่องเส้นปรับ่วงจุย้ยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไม่ต้องหาวัตถุมาแขวนแก้กรรมหรือเอาอะไรมาห้อยขอให้วุ่นวายใครจะดู ก, กรรมได้ตรงหรือไม่อาจไม่สําคัญเท่าบอกวิธีแก้ได้ถูกทางและถูกธรรมะหรือไม่มากกว่าย้ำอีกทีนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ใช้คาว่าแก้กรรม เพื่อให้เข้าใจง่ายเท่านั้นนะครับ